เหตุในฟังเด้โลกนี้มันมีหลายหลายอย่างทหัวเระล้องไห้ทั้งดีใจเสียใจทั้งมีสุขมีทุกข์มีอะไรเจะเจ๊เกิดขึ้นได้ทุกการทุกสมัยการไม่เป็นอะไรก็ได้การเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย หลงความหลงก็มีความไม่หลงก็มีความสุขก็มีความไม่สุขก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีความโกรธก็มีความไม่โกรธก็มีแต่วันก็มีนิพพานก็มีมันก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราวนแหละอยาไปหหลงกับมันมันเกิดอะไรขึ้นก็อยากเข้าไปเป็น เห็นมันนะฮะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนความล่ายเป็นความดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนห ล, ลงเป็นรู้นี่คือการปฏิบัติธรรมหาได้กับชีวิตเราโบราณท่านว่าในทรัพยบในในหาดัทรัพย์อยู่ได้ดินศิลอยู่ในน้ําอืมันหาอะไรก็ตาม โดยพราะเรามีทุนแล้วเรามีทุนกายของเราเป็นทุนใจของเราเป็นทุนสติความระลรู้สึกระลึกได้เนี่ยเป็นตัวเข้าไปกระทําสร้างทุนตัวนี้ให้มันเกิดมึนเกิดกุศลเกิดมากเกิดผลขึ้นมาเราจึงมีการกระทํากันอาจจะหลงบ้างอาจจะผิดบ้างเป็นธรรมดาความหลงทำไ้เราไม่หลงนะ ความผิดทำไมเราไม่ผิดความทุกข์ทำไมเราไม่ทุกข์เมื่อเพื่้ใดเห็นทุกข์ตัวนั้นก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องจะได้พบเห็นอาการสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ท้าให้เกิดพุท ธ, ธะขึ้นมาถ้าเราใช่มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทุกข์เกิดเป็นพุท ธ, ธะ มันก็เราเห็นอะไรที่เราเรียกว่าพุทกธปัตโกมันทำอย่างนี้เนาะมันทาอย่างนี้เนกะปัตโธตื่นแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์อยู่ต่อไปเพาความทุกข์น่ยมันเป็นเหตุแต่เหตุที่เกิดทําเหตุที่ทําให้เกิดเป็นทุกข์มันก็มีเราก็สาวหาเหตุที่มันไปเราจึงมาสร้างเหตุ ร้างตัวรู้ตัวรู้สึกตัวนี่ยเป็นตัวสร้างแล้วก็จะได้เห็นมาสร้างขึ้นมาเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆมันเราทําไรทํานาแต่ก่อนก็เป็นดินเป็นน้ําธรรมดาพอเรามาสร้างในดินในทรัพย์ในดินในสินในน้าในทรัพย์ทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ํำก็เกิดทรัพย์ขึ้นมา ศีนสมาธิปัญญามันก็เกิดอยู่กับนี่แหละกายกับใจของเราเนี่ยว่าแต่เราไม่สติเราไปรู้สึกการสร้างอะไรก็อย่าไปให้มีอะไรมาเกี่ยวข้องมากมายอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาได้เอาไม่ได้ที่เราก็สร้างเป็นผู้สร้างแต่ว่าภาวะที่เป็นผู้สร้าง ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นการกระทำเป็นการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมาฐานนั่นแหละกรรมคือการกระทาฐานคือที่ตัง้งที่ตั้งของการกระทาเราทำกรรมกรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ผลทันทีเราสร้างความรู้สึกตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็ไปเหตุ อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวดูให้ ด, ดีสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมีเยอะแยอะอันความรู้สึกตัวเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวหลายอย่างเหมือนกัเราเดินทางอาวะที่เดินอันเดียวเดินไปเดินไป สิ่งที่ไม่เป็นการเดินมีอยู่สองข้างทางเยอะแย ะ, แยะบางทีก็ขวงหน้าขวงตาแต่เราก็ต้องเดินไปเมื่อเราใช่อันเดียวใช่อันเดียวตั้งแต่ต้นจนจบใช่ความรู้สึกตัวตั้งแต่ต้นจนจบถึงที่สุดความรู้สึกตัวเนี่ย้าจะ มอบให้ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่จริงๆพาเราเป็นไปนศีลพาเราไปถึงสมาธิพาเราไปถึงปัญญาพาให้เกิดบุญเกิดกุศลด้วยพาให้เกิดมากเกิดผลว่าแต่อย่าหลงสองข้างทางที่ทำให้เราจะอาจจะเกิดการข้องแวะได้เหมือนกันดูให้ดีสสำหรับผู้เดินทางอย่า ห้องแวะกับอะไรง่ายๆแต่เห็นเห็นอยู่อันที่ไม่ใช่การเดินเห็นอยู่ความสะดวกกว่าการเดินก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่เดินมันไปไม่ถึงถ้าไม่เดินมันไปไม่ถึงแต่ถ้าการเดินก็มียิยาที่ไปเรื่อยๆที่สร้างได้เรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าธรรมดาแต่ว่าการเดินไปนะ อันภาให้เราถึงจุดหมายปลายทางจากความหลงเป็นความไม่หลงจากความไม่หลงเนี่ยเราพึดพืเผไปเมื่อมีความไม่หลงหมันก็คือทั้งหมดแล้วมันคือทั้งหมดแล้วดูดีๆมันน้าโภมโอบโภมใจอุ่นอกอุ่นใจเพียงพอความรู้สึกตัวนะเป็นการเพียงพอ เป็นการโอเพียงสำหรับการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยสร้างตัวลูกขึ้นมาสร้างตัวโลกขึ้นมามแล้วไปท่องไปแวะกับสิ่งอื่นแล้วสิ่งอื่นมันก็มีอยู่จริงๆแต่มันไม่ใช่ความรู้นะยเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้มากมายไอ้เต้น ทำให้เราพอใจก็ไม่ทำให้เราไม่พอใจก็ไม่ทำให้เราผิดก็ไม่ทำให้เราถูกก็ไม่อันไม่ใช่ความโลภมีเยอะแยะแต่ว่าอย่าเป็นหลงจับต้นสายปลายเหตุให้ได้มันก็ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้การสร้างความโล้เป็นของที่ทาได้ง่ายกว่าการสร้างความหลงความหลงบางทีไม่ต้องสร้าง บางทีมันอาจจะเป็นเจ้าเรือนไปก็ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันทำให้เกิดความหลงสิ่งแวดล้อมมันทาให้เกิดความหลงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้นะถ้าดูโลกปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยมีแต่มีก็มีเกิดขึ้นกับเราบล็อกบอกแบมแบบแล้วมันก็ช่วยเรา สิงที่ทําให้เกิดความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกับตัวเองพยายามที่จะช่วยตัวเราอยู่เสมอแต่เราไม่ใช่ไม่ช่วยความรู้สึกตัวให้งอกให้งามกระทนกระแท่นแต่ยังพอยใช่เหมือนหิ่งห้อยพอมีแสงเอาตัวรอดไปได้บ้างบัดนี้พวกเราเนี่ยมาสร้างจริงๆขึ้นมาไหนมาสร้างขึ้นมาต้องต้องมีหลายๆอย่างมีกําลังลวกหลายๆอย่าง มีศรัทธามีศรัทธามีความอดทนมีความเพียรมีสติมีบางทีก็อาจจะมีสิ้นขึ้นมาว่าสร้างสติก็เกิดความปกติสร้างสติก็เกิดความมั่นคงสร้างสติก็เกิดความรอบครอกบางทีมันมีผลช่วยเราได้อยู่นะ อย่าไปคิด ว, ว่าว่าเวตัวเราคนเดียวเราทำได้เราทำไมได้อย่าไปคิดอย่างนั้นสิ่งที่สนับสนุนก็ไม่เยอะๆศรัทธาว่าหรือบางทีถ้าเราจะคิดไปเอาอย่างเอาอย่างคนอื่นเอาอย่างเรียนตามพ่อคอยตามครูเราก็ไม่พ่อไม่แม่เราก็มีครูบาอาจารย์เราก็มีเพื่อนมีมิตรเราก็มี ผลงามความดีที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วยความมั่นใจของตัวเองถ้าจะพูดกับตัวเองก็ให้พูดแบบมั่นใจพูดแบบมั่นใจพูดแบบมั่นใจอย่างไรเราคนหนึ่งเราคนหนึ่งจะต้องวิวัตพัฒนาตัวเองหรือจะพูดให้แบบ ให้มันอบอุ่นใจเป็นกองเขื่นลูกพ่อนี่แม่นี่ยเราคนหนึ่นเราคนหนัง่งลูกพ่อนี่แม่เนี่ยจะทําดีจะปฏิบัตดิดีจะปฏิบัติตรงสิ่งไหนดีๆในโลกสิ่งไหนที่ผู้อื่นทําได้ในโลกเราขอเสนอตัวเราคนนึ่งเพื่อทำการเนี่ยอแล้วก็มีแบบอย่างอีกแล้วพระพรุทธเจ้าเราก็สาบกพระอรหันต์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ยังมีอยู่ยังเห็นล่เห็นลอยเห็นส้นซ้นอยู่ถ้ามองโดยแล้วนะมันก็ทําให้เราไม่ว่าเลยบางทีอาจจะมีความผิดความโศกคนนั่นเป็นเรื่องตอนนี้อันนั่นเป็นเรื่อง น, นเอามาสอนตัวเลยเราไม่เป็นอย่างนั้นเด็ขดขาดเช่นบางทีเนะี่ยอย่างคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ บางคนเป็นโรคใครใครเจ็บเห็นกับหู ก, กับตาบางทีก็าบอกโอ้ยผมเป็นโรคกระเพาะอาหารเพื่อนเคยพูดโอ้ยผมเป็นโรคกระเพาะอาหารเราก็มาคิดของเรารับรองว่าผมไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร เ, าเราคิดอะไเนี่เรารับรองว่าเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารบางคนเขาบ่าเขาเป็นโรคเอทใช่ไห <laughs> เราจะไม่เป็นโรคอ็ดเนี่ยเพามันมั่นใจขนาดนั้นนะทำไมเราจึงจะไม่เป็นเราก็มั่นใจมั่นใจการกระทำของเราเราจะเป็นโรค ก, กับพ่ออาหารยังไงเติมทำไมดื่มน้ำมาเที้ยวแม่ศาสตร์เนานะดื่มน้ำมาเที่ยวไม่เป็นโรค ก, กับพ่ออาหารยังไงเติมข้า ว, าวไม่มีข้าวจินดื่มน้ำลงไปหาได้ไห ม, ไมยากนะ แต่สุกโตเนี่เปิดเวลาใดก็ไหลตลอดเวลาหิวเข้าดื่มน้าลงไปพอเราไม่กินเข้ามื่อเย็นดื่มน้าลงไปอย่าให้ท้องมันว่างดื่มน้าลงไปดีดื่มลงไปมันหมักมันเบาออกดื่มลงไปมันหนักมันเบาออกอาชาตินี่คงไม่เป็นโลกก็เพราะบ้าอย่างนี้บางอย่างก็มั่นใจดีแต่ไปอ่อนแอทําไมมั่นใจต้องไม่ความมั่นใจ ไปหัวล่อไปล่องให้ไปทุกไปทุกไปผิดไปถูกไปเป็นอะไรมั่นใจในความมั่นใจแล้วก็ทําได้ด้วยเอาใดที่มันจะหัวล่อออกมาเราไม่ต้องหัวล่อที่ทําให้หลงเอาใดที่มันจะล่องให้เราไม่ล่องให้ที่ทําให้หลงเอาใดที่มันจะทุกเราไม่ทุกที่มันคนจะทําให้เกิดทุกเอาใดที่มันจะทําให้เกิดทุกเราไม่ทุกกับมัน แล้วนั่งเก้าอี้ขึ้นบนนั่งบนรถรถทัวร์ใช่ไหมก่อนในหรวงพ่อแม่เคยนั่งรถทัวร์เลยนะปี่ห้ารอยสิบสิบห้านะประมาณนั่นแหละก็รถทัวร์เลยอะไรรถทัวร์อะไรอะเพื่อนรถทัวร์กับทัวร์กับทัวร์ทัวร์แบบไหนทัวร์ทวรไม่เคยได้ยินสับเนไม่เคยได้ยินเขาก็พาดันนั่ะรถทัวร์โอ้รถทัวร์รถทัวร์ แนหน่อยอ่ะเคยเห็นรถถั่ประมาณปีห้ารอยสิบ้าโอ้มีอนนี้นี่รถถัว่วเป็นไปหนะาไม่เคยสัมผัสกับแอร์จริงๆริงนะปีห1 4รอยสิบสี่สิบาเพิ่งมารู้จักรถแอร์มีแอร์ไม่เคยอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์อะไรไม่เคย เ, เคยเห็นพอเครื่องก็ร้อนก็เย็นอ๋อใจสุกเหรออไม่สุก นั่งบอกไม่พอนักงเงเพื่อนก็บอ ก, บอกปรับเอ็นลงก็น่อย เ, อเขาก็มาพังเอนง็นเราแล้วจะไปสุขเ้าไม่สุกมันจะไปสุขนะนั่งรถแอร์ใช่ไห ม, มเราไม่สุขมันจะเป็นอะไรเราก็ปรับว่าเราจะเอามือมาพังพนักเตียงนอนด้วยเราไม่นอนเราไม่สุกอะไรต่นเราไม่ได้หาความสุขจากการนั่งเราไม่ได้หาความสุขจากการนอน เราไปหาความสุขจากความสุขเราไปหาความสุขจากกันได้อยู่ได้จิตแล้วก็แล้วก็อยู่ของเราเองนะไม่ต้องไปสุขไม่ต้องไปทุกข์อยู่ของเราเองเออมันก็นเดีไม่หลงสุขก็ไม่หลงทุกข์ก็ไม่หลงผิดก็ไม่หลงถูกก็ไม่หลงได้ก็ไม่หลงเสียก็ไม่หลกถ้าจะอยู่อะไร <c oughs> ลอยตัว ชีวิตที่ลอยตัวชีวิตที่ลอยตัวไม่สิ้นเปลืองพลังงานไม่สิ้นเปลืองพลังงานเหมือนเครื่องบินที่มันลอยลำอยู่บนอากาศเขาลอยตัวอยู่ได้ไม่สิ้นเปลืองเพลังงานมันจะหนักตั้งแต่เริ่มโตการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันนะ มันจะต้องเข็นตัวเองออกจากพี้ให้ได้การเข็นตัวเองก็ต้องมีความเพี่ยนความพยันสักหน่อยสร้างตัวรู้ถือว่าการขนส่งตัวเองมันจะหลงเวลามันจะหลงขนออกมาเข็นตัวเองออกมาสตาร์ตตัวเองออกมาวันรถตอนมันสตาร์ตที่แรกก็ชิ้นกินแรงเหมือนกัน แต่ถ้ามันได้ออกได้เคลื่อนได้ไหวไปแล้วมันมันมันทวงตัวของมันไปได้ความรู้สร้างความรู้เลยไปความหลงก็สร้างความรู้ด้วยไปนะก็ทําไปทําไปไม่ใช่ความหลงทําให้เสียหายเลยความหลงสร้างให้เกิดความรู้เป็นพลังร่วมด้วยกัมไปเหมือนกับเราว่ายน้ํามือเราที่แหวกน้ำวกน้ํา การสัมผัสกับน้ำมันเป็นพลังแต่น้ําทําให้เราจมแต่เราอ้อยใสน้ําทําให้เราปู่ขึ้นมาทําให้เราลอยตัวขึ้นมาความหลงทำให้เราลอยตัวได้เหมือนกันดีถ้าหลงเทไรหนึ่งโอ้ช่วยตัวเองขึ้นมาได้นะครับโทษมันก็เคลียร์ตัวเองคนที่จะหลงไม่หลงคนที่จะทุกข์ไม่ทุกข์ คนได้จะโกรธมีโกรธโอ้มันปัณณนี่เราหรือเราอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเคยหลงเคยทุกข์เคยจกพอทําไปทําไปโอ้มันพัฒนาชนามันพัฒนาชนามันพัฒนาชนมาแล้วมันก็ใช่ได้เป็นอันให้สงกับตัวเองจากการกระทําเห็นการกระทําเสริมศรัทธาชนมาเสริมศรัทธาชนา แต่ถ้าเกิดได้ในสิ่งที่มันจะผิดไม่ผิดเหมือนเรามีความรู้เราต้องสร้างแต่ว่าความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ทเป็นคนอื่นสะดวกแ้่เราหามีความรู้ไปทำงานได้เงินได้ทองมาสร้างฐานะลูกหลานไม่ต้องไปหาเงินเราเอาเงินให้เขาใช้เราเอาเงินให้เขาใช้ เ, เ, เ, ใ เ, ขใชเขาก็ได้ไประโยชน์ ขอได้ประโยชน์แต่ว่านั่นมันเป็นของภายนอกเขาอยากกินข้าวขอเงินไปซื้อข้าวขาอยากไปเที่ยวขามาของเงินไปเที่ยวขาอยากได้รถขอมาของเงินไปซื้อรถเขาไปได้เพราะคนอื่นช่วยให้เขาไปได้แต่นั่นไม่เป็นความจริงการมาปฏิบัติธรรมไปได้เพราะตัวเรามันมั่นใจตัวเรามันมั่นใจเราเห็นคุณค่าที่เราค้นมาอย่างไง ที่หลุดพ้นมายังไงเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นสนับสนุนให้เราหลุดพ้นการกระทาอย่างนี้การทาอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเหมือนพระพุทธองค์ตัดสรูใหม่ใหม่ในวันที่เท่าไหร่ล่ะจำไม่ได้ไปไ ป, ประดับปฎิจจะสมุ ป, ปะบาทในวันที่หอาทิตย์ที่หกที่เ็อาทิตย์ที่ห้ทาที่หกเนี่ยนะ ลำดับปฏิจากสมุปบาทลำดับธรรมที่ทําให้เกิดการตัดสู้ลำดับธรรมที่ทําให้เกิดการตัดสู้มันก็เกิดศรัทธาโอ้มันเป็นอย่างนี้มันทําอย่างนี้มีอย่างนี้มันจึงมีมันมาอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้มันมีไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ไ ม, มีลำดับไปชีวิตของเรามันควรที่จะเป็นอย่างนั้นในการ ย, ยกตนเอาปฏิบัติกับตัวเอง ไม่ใช่ไปของอมือขอกับคนนั่นคนนี้ขอร้องอันนั้นให้ช่วยขอร้องอันนี้ให้ช่วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องมีการกระทําต้องมีการกระทําเกิดเกิดด้วยฝีมือของเรามันหลงแล้วไม่หลงผลหลุไปนะหลงพ่อเขาบอกว่ามันมีทุนอยู่แล้วชีวิตเราทุนของชีวิตมีกายกับใจสร้างชีวิตขึ้นไปมีสติสมัยชย์ญจ ให้เกิดมากเกิดผลกายใจของเราเออกมาสร้างมาเกิดมากเกิดผลมีสติมี ส, มสัญญาเน่ยะมันจะขนส่งตรงนี้ยากยากเท่าไหน่แต่ว่าเมื่อไปได้แล้วไม่ต้องสอนกันเอาจริงๆงนะมันสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้นแหละเหมือนแม่สอนลูกสอนเจ้าเนาะสอนลูกให้เดินสอนลูกให้นั่งสอนลูกให้กินข้าวสอนลูกให้อาบนา้า สอนโลกให้ขับให้ถ่ายสอนโลกให้น่องผ้าห่มผ้าพอเขาทําเป็นเล้ไม่ต้องตามไปสอนของเขาไปได้เลยการปฏิบัติธรรมของมันกันนะถึงคราวที่มันไปได้มันช่วยตัวเเก่งที่สุดเลยลรอกไม่มีใครเก่งเท่ากับตัวเราช่วยตัวเราแต่ว่าการเริ่มต้นต้องอาศัยอาศัยหมูอาศัยเม็ดอาศัยเชิงเวดลนของตานะ เราพอไปได้เราไปได้ไปเห็นโลกธรรมเห็นนามธรรมนะ้ยช่วยตัวได้มันเพื่ออาจารย์สมใจเมื่อวันพอปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปยี่สิบวันเท่านั้นแหละช่วยตัวได้เตนทีเลยหยุดการแสวงหาครูบาอาจารย์อีกไม่หลงเข้เทียนเป็นครูของสุดท้ายมั่นจจอย่างนี้นะมั่นจะอย่างนี้นะ มันมันช่วยตัวเองแหะเห็นรูปเห็นน้ำเห็นรูปทำเห็นน้ำทำบางทีรูปมันช่วยนามมันช่วยเพราะรูปมันบอกน้ำ ม, มันบอกอะไรที่มันเป็นก็ไม่เที่ยงในรูปในนามัมนบอกอย่าวายุ่งกับฉันนะฉันเป็นตัวไม่เที่ยงนะ อะไรที่มันเป็นตัวทุกข์รูปในรูปในนามมันบอกนี่ฉันคือตัวทุกข์มาไม่เห็นมั้ยนี่ตัวทุกข์ตัวกันจริงแบบของเขาเท่านั้นแต่จริงแบบไม่จริงไม่จริงแบบจริงในความไม่เที่ยงมันก็เป็นของจริงแต่จริงแบบไม่จริงในความเป็นทุกข์มันก็เป็นของจริงแต่จริงแบบไม่จริงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่จริงแต่จริงแบบจริงมันก็จริงแบบเั่านัะ เราจะไปขอ้องไปแวะไม่ได้แต่ก่อนเราเสียใจเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความมันใช่ตัวไม่ใช่ตนทำไมทาไมเป็นการบ้านตลอดอทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไปพูดกับค่าไม่เที่ยงทั้งทั้งที่เขาเป็นของไม่เที่ยง ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทั้งกับความเป็นทุกข์บางทงที่เขาบอกเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วยังไปทําไมกับเข า, ไ ป, เา ไ, ไ, ไปดึงเอาความไม่เที่ยงไปไปดึงเอาความไปผักเอาความเป็นทุกข์นี่บางคนลากเราไปเ <c oughs> จ็บปวดเพราะควไม่เที่ยงนี่ไหมนะผักจากของของยอดใจ <c oughs> เนาะความไม่เที่ยงมันหนีจากเราไปอ เ, อเสียอเสียใจร้องหฮมร้องไห้โอยใจจะขาด ไม่ความไม่เที่ยงเราไปเสียใจไปเป็นทุกข์ไปเอาความเป็นสุขอยู่ในความไม่เที่ยงพอไปเห็นโูกมาเห็นนามแล้วเนะี่ยโอ้มันเป็นปัญญาระดับสุดยอดก็ว่าได้นะหลวงพ่อไปอ่านหนังสือตำลันถ้าจเจริญกรรมาฐานนะี่ยเจริญในใจลักอย่างเดียวไปถึงมรรคถึงผลอา้าจริงๆรนะ่ะถึงมรรคถึงผลเลยนะไม่เช่เหรออ้า เพราะว่ามันไม่มีอะไรฮเอาทิ้งขยะลงไปเลยอะไรอะไรในโลกเนี่ยทิ้งลงไปในไตลักได้ทั้งหมดเลยอ่าร์มาหลังเนี้ก็ทิ้งลงไปในไตลักษ์แล้ชีวิตลงคอก็ทิ้งลงไปในไตลักษชีวิตทุกคนออกไปทิ้งลงในไตลักษไม้อเนี้ก็ทิ้งลงในไตลักษเทพเครื่องเนก็ไปทิ้งลงในไตลักหมดเลยไม่มีเหลือไตลักษ์ครอบคลุมเลยหมดไม่มีอะไรที่จะพ้นไปตัด อยากครักโอ้โลกมันบอกน้า ม, มันบอกโลกมันบอกน้ำ ม, มันบอกเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นของจริงที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่มันเป็นอยู่ของเขาเราเกี่ยวข้องกับเขาได้ปัญญาได้ปัญญาสุดยอดคือปัญญาปิดท้ายวงเล็บมงเล็บปิดวงเล็บเปิดบก เ, เ, เล็บปิดสุดท้าย คือปัญญาวงเล็บเปิดอะไรก็ได้เห็นเีนสมาธิเป็นวงเล็บเปิดปัญญาเป็นวงเล็บปิดสุดท้ายคือปัญญาปัญญาวทานเนนเสยโยปัญญาเทียวปรเรปรสริฐกักลเป็นอริยทรัพย์ไม่ใช่ปัญญาแบบเพียวเรียนตามสูตรสมเร็จสมมติปัญญานะปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความ จริงคือความไม่จริง ม, นมันเกิดขึ้นกับเราได้เปนเห็นความหลงเห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเห็นความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่ชีวิตเราชีวิตเราต้องไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางน่ยมันจะเสียเวลา ชีวิตเราจริงเพื่อการเนี่โดยตรงคนเราเพื่อการเน่โดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เพื่ออย่างอื่นมันจะลงโทษชีวิตเราเพื่อการเน่โดยตรงเพื่อมักเพื่อผลจบว่าตื่นแตะดึกมาศึกเสียงแต่หนุหน่มๆอย่ารอให้เท่าให้แกกำลังมีเลี้ยวมีแรงเง่ยแข็งแรงมากเอามาสร้างตัวเองข้นมา แล้วมื่อสรางตัวนี้สําเร็จถึงจุดหมายปลายทางแล้วโอ้ยอะไรก็ได้ไปนีน้เพราะว่าที่สุดมันถึงแล้วเราจะอยู่ยังไงจะปฏิทําชีวิตยังไงเนี่ยมันเพื่อการเนตเราตรอะไรก็ถูกไปหมดนะถก็ถึงที่สุดแล้วอะไรก็ถูกไปหมดชีดวิตก็เรียบก็ได้นะไม่มีการบ้านไม่มีภาระ แต่ถ้าไม่ถึงที่สุดภาระมากมายสุขก็สุขแล้วทุกข์ก็กข์หล้ลงก็หลงจนตายโกรธก็โกรธจนตายทุกข์ก็ทุกข์จนตายบางทั้งที่มันควรที่จะเป็นขั้งสุดท้ายควรที่จะเป็นขั้งสุดท้ายอย่างนี้แล้วแค่นี้ความหลงมันได้ขี่ช่างขี่มากมีอาวุธมีระเบิดมาด้วยไหม มันไม่มีความหลงความโกรธมันมีสร้างขึ้นมามันมีกองทัพที่จะนั่งรถถังรถอะไรมาไหมมันไม่มีมันเกิดขึ้นวับวั บ, บ, บแบมบแบมบมันเกิดขึ้นจากตัวเราได้แหละเป็นเหตุถ้าจะบอกถ้าจะให้หลวงพ่อบอกก็บอกว่าความสุขความทุกข์ ก, ก, ก, ก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดี เปิดขึ้นจากตัวเราให้มั่นใจอย่างนี้ถ้าเราจะเอาชนะเรื่องนี้ก็อย่าไปเอาชนะคนอื่นอย่าไปเอาชนะเสีงเยงอื่นเอาชนะตัวเองนะเราจะไปเที่ยงใหค้คนอื่นคนอื่นทําให้เราโกรกคนอื่นทําให้เราหลงคนอื่นทําให้เราสุขคนอื่นทํำไ้เราทุกข์เทิ่งไปเลยมามาพูดเรื่องของเราเราแมนะ้นมันจะมีอยู่เรา คนอื่นแม่นมันจะเป็นเราจะไปแก้คนอื่นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราแก้ตัวอย่างไหเป็นไปได้ไหมทีเดียวลัดแน่วมือเดียวรัดแน่วมือเดียวแม้ว่ามันจะใหญ่โตทําให้มันเล็กๆแน่อนอนพระพุทธเจา้าทั้งทุกข์เาว่าไโทสคืไปคือโทสะโมหคิไปคือโมหะอาคาคิไฟคือ แม้มันว่าจะไล่เท่าไหร่ก็พอเราได้เห็นว่าพอเราได้ยินว่าพิเลศพานาตนาลัยแปดไม่มีใครที่จะรู้ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอยากไปพูดอย่างนั้นการตัดชลูกของพระุทธเจ้าเพื่อพวกเราเป็นเรื่องของพวกเราการตัดชะลูกของพระุทธเจ้าเป็นเรื่องของพวกเราเพื่อพวกเราให้คิดอย่างนี้ แต่ไปทิ้งให้คนอื่นทิ้งให้สิ่งอื่นมันไม่ใช่ให้เป็นเรื่องของเราเสนอตัวเราเอามากระทำให้มันเกิดขึ้นนี่กิเลสพเน่าตนานาลอยไปมันไม่มากไม่มากจริงๆแล้วก็อะไรสโลวามีตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นมีตัวหลงกับตัวลูกเท่านั้นตั้งต้นจากตัวหลง ก, กับตัวลูกเท่านั้น ตั้งต้นตรงนี้ให้ได้มันหลงน่ะมันหลงเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ให้คิดแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันยากความหลงมาเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ใช่ความหลงเพื่อความหลงความหลงเพื่อให้เกิดความรู้เป็นของชอบทำความหลงเพื่อให้เกิดความหลงไม่ชอบด้วยทำให้ให้มองแบบนี้ การพัฒนาชีวิตของเรามีโอกาสพัฒนามีโอกาสเลื่อนฐานะถ้าเลื่อนฐานะก็เลื่อนฐานะตรงนี้ไม่เหมือนเลื่อนฐานะแบบโลกสมมติตรงปีนี้ทำไรมันไรอ้อยได้เงินได้ทองอันนั้นก็เลื่อนฐานะทางบ้านสร้างเรือนน่นก็เลื่อนฐานะแล้วก็เป็นไปได้ในความเข้มแข็ง การเลื่อนฐานะของความเป็นชีวิตของเรานความหลงเพื่อไม่หลงเลื่อนไปแล้วถ้าเป็นคนก็เป็นกัลยาณนะถ้าเป็นปุถุชนก็เป็นกันะยาณนะปุถุชนกัญยาณะปุถุชนถ้ารู้จักเลื่อนตัวนั้นพนะอมันหลงเลือ่อนก็ไปหลงเป็นกันะยาณนะปุถุชนถ้ามันทุกข์ก็เลื่อนฐานะเป็นความไม่ทุกข์ เป็นกันลยาณ์นะผู้โดยชนผู้โชนแท้ๆนี่เราจะเป็นมนุษย์พอเลื่อน ไ, ไปบ่อยๆเปลี่ยนไ ป, ไปบ่อยๆเปลี่ยนไ ป, ไปบ่อยๆจากความเป็นคนกลายเป็นมนุษย์ขึ้นไปเลยจากความเป็นมนุษย์กลายเป็นพระไปเลยเลื่อนได้ตรงนี้ไว้ใช่เลื่อนแบบเพศลัทธิในกายเลื่อนจากตัวปฏิบัตินะเลื่อนจากตัวปฏิบัติ พอมันหลงเลื่อนพ็ไม่หลงพอมันทุกเลื่อนก็ไม่ทุกพอมันโกรธเลื่อนเป็นตัวไม่โกรธเลื่อนทาท่แบบนี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าเลื่อนแบบนี้นะไปเป็นมรรคเป็นผลถึงมรรคถึงผลถึงสวรรค์ถึงในผานไม่ใช่เดินไปด้วยการเวลาด้วยโลกดยตายเดินทาง จ, จิตใจเดินทางตัวปฏิบัติแล้วเราก็ไม่โอกาส เลื่อนฐานะได้ตลอดเพราะเราอยู่ในโลกเหมือนกับเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราเลื่อนฐานะชีวิตจิตวิญญาณของเรา น, นี้เราจับหลักตรงนี้ให้มันได้การปฏิบัติคือได้หลักได้หลักเอาไปทําทําสําเร็จทุกครัง้งการปฏิบัติทําสําเร็จได้ทุกครัง้งจึงเรียกว่าปฏิบัติฟังดูดีๆปติคือเปลี่ยนไล่เป็นดีนะ ทำได้ทุกครั้งควรที่จะเปลี่ยนได้ทุกครั้งโดยสัมปัแล้วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันมันจะผิดพลาดเสียเวลาเขามาให้เราเปลี่ยนสิ่งต่างๆในโลกที่มันมีอยู่เนี่ยเขามาให้เราเปลี่ยนเขามาให้เราเป็นบทเรียนเขามาสนับสนุนให้เราทำความดีอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นอย่างนี้จริงๆการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เพื่อกโก้ไม่ใช่เพื่อไปชั่นไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติของตัวเองเอาไปพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดหมายปลายทางชีวิต เ, เราเป็นสวรรค์สมบัติเป็นเด้ผ่านสมบัติมันเป็นเป็นที่จะไม่เสียชาติที่เกิดมาสำหรับวันนี้กนะ็โัวดให้ฟังเนาะ